เมนโมนมยิทธิเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักฐานที่ว่าโตตนในความฝันในเมื่อมีความเข้มข้นเกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งความจริงอันนี้จะรู้ได้โดยไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจและยอมรับว่าคนบางคนเมื่อหลับได้อย่างสนิทแล้วสามารถฝันเห็นสิ่งที่เป็นจริงได้และคนบางคนซึ่งป่วยหนักจนกระทั่งถึงแก่ความตาย แล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องต่างๆที่ไปพบเห็นมาซึ่งเรื่องที่เล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือบางคนเพียงแต่สลบไปซึ่งในบางครั้งก็ไปเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงหมายเหตุผู้ อ, อ่านในเรื่องของการสลบหรือการตายชั่วคราวนั้นไม่ใช่มีปรากฏแค่ของไทยยังมีตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติซึ่งเป็นในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท มีกรณีศึกษาอีกมากมายจากทั่วโลกที่ผ่านการพิสูจน์จนแม้แต่คนที่ไม่ใช่พุทธก็ยอมรับกันแล้วเพียงแต่เอกสารหลักฐานหรือหนังสือเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่สนใจอย่างจรงิงจังและค้นควายศึกษาหากันเองเท่านั้นเลยทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าต่างชาติต่างศาสนาไม่มีเรื่องเหล่านี้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวตนที่เกิดจากจิตใจนั้นถ้ามีความเข้มข้นแล้ว ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีตัวอย่างต่างๆดังที่กล่าวมานี้เราถือเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดเพราะการพิสูจน์เรื่องนี้จะทำให้เกิดความแน่ใจจริงๆนั้นอยู่ที่การได้สำเร็จมโนโมยุธิเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะได้นำหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากพระไตรปิฎกมาให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้ในที่นี้ท่านอ้างบาลี จากสามัญญหผลสูตรที่ขานิกายศิลคันธวักขออ่านเฉพาะคำแปลไทยนะครับภิกูุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปากิเลสทั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแกการงานเต็มรงอยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะเนรมิตกายที่สาเร็จด้วยใจครั้นแล้วเธอก็เนรมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ ซึ่งกายที่นรมิรขึ้นนั้นเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สําเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์สมบูรณ์คือมีอายตนะภายในครบทุกอย่างมหาราชะเปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจากหญ้าปล้องฉนั้นข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธนทตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าอาชาศัตรู ถึงเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะและผลแห่งการปฏิบัติตามธรรมวินนยของพระองค์ว่ามีอยู่อย่างไรบ้างจากข้อความที่อ้างมา น, นี้ขอให้สังเกตเป็นพิเศษและได้โปรดนำไปเ ป, เปเรียบเทียบกับข้อความที่พระองค์ตรัสถึงสภาพแห่งรูปของโอปปาติกาว่าการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นชนหนอัตตาใดหนึ่งซึ่งมีรูปสาเร็จด้วยใจ 2. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 3. ม, มีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจจงสังเกตว่าผู้ที่ตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะกายที่เกิดนั้นก็เป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์ และผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงก็สามารถที่จะ น, นรมิตกายซึ่งมีรูปร่าง 1. เป็นกายสำเร็จด้วยใจ 2. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 3. มีอินทรีย์บริบูรณ์เหมือนกันอันหนึ่งกายที่สำเร็จด้วยใจบางทีก็เรียกว่ากายทิพย์ซึ่งในคำพีก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันดังนี้ อธิโคโพอัญโยอัตตาทิพโพรู ป, ปีกามาวจโรกาวลิงการาหาระพิโคมีอยู่ท่านผู้เจริญอัตตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกายทิพมีรูปเป็นกามาพระจรมีกาวลิงการาหารเป็นภักษาจากพรมชาลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้ากายทิพในที่นี้ ก็หมายถึงรูปกายของโอปปาติกะซึ่งเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจเหมือนกันยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากายที่สำเร็จด้วยใจนั้นบางทีก็เรียกว่ากายทีพ